พอนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรยัยข้ารการหลวงพ่อกรมเพื่อนสัตธรรมิกทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านวันนี้ก็มีกลุ่มปฏิบัติเข้ามานะเป็นการปฏิบัติในวันแรกนีซึ่งเราก็ ม, มาปฏิบัติธรรมกันเพื่อเหตุอะไรนะครั้งนี้เนี่ยเราก็มาดูตามที่พระเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเอาไว้มากมายนะมี ถึงประมาณ4 0ด0มืนรรม่นรี่พันมาทำแต่ถ้าเราแยกธรรมะที่พระเจ้าได้ทรงแสดงแล้วก็จะมีอยู่สองอย่างนะก็คือให้รู้ความทุกข์รู้จักทุกข์นะรู้จักเหตุแห่งความเกิดทุกข์หรือรู้จักทุกข์ประการที่2ก็คือปฏิบัติเพื่อดำเนินถึงความดับทุกข์นั้น เนี่ยถ้าเราจับเป็น2 อ, อย่างก็จะง่ายนะว่าธรรมะที่มากมายนะถ้าเราจับประเด็นไม่ถูกเราก็จะรู้สึกว่าเราอาจจะกว้างขวางเกินไปแล้วก็การศึกษาการบัดเราก็จะจับประเด็นได้ยากเนาะแต่ประการแรกก็ให้เรารู้จักสาเหตุความเกิดทุกข์และความทุกข์เหล่านั้นนะนี่คือหลักสําคัญเนาะสาเหตุความเกิดทุกข์ก็คือตัณหานะคือตัณหานี่แหละการมตัณหา นะั่นก็คือนะความที่เราเพลิเพลินไปในรูปรสกลิ่นเสียงผดทะพะธรรมลมนะการที่เราเพลิดเพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนะในการกระทบเยน็นร้อนอ่อนแข็งและใจนึกคิดนี่แหละเมื่อเราเพลิดเพลินไปแล้วมันคือตันหานั่ก็คือความทะยันอยากเมื่อเกิดความทยานอยากก็เกิดความยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นนะเมื่อเกิดความยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้น ก็จะเก frick, еще, ิดพบเกิดช้าตามมาภาวะตัณหาก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ไม่อยากได้ไม่มีก็อยากจะได้ไม่เป็นก็อยากจะเป็นนี้ก็คือภาวตัณหาแล้วก็พิวิภาตัณหาก็คือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอยากผักใสในสิ่งต่างที่เราไม่ชอบใจนี้ก็คือสาเหตุแห่งความเกิดทุกข์ ตาให้ความเกิดทุกนี้ก็พระเจ้าให้ละเสียนะเนี่ยเราต้องรู้สาเหตุก็นะว่าเรามีความทุกข์ก็เกิดจากตัณหาในสิ่งเหล่านี้แล้วแหละคราวนี้เมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะเราก็มีความทุกข์แน่นอนนะความทุกข์ในความที่เรียกว่าที่เราได้ส่วนมนุษย์เมื่อเช้านี้ก็คือชาติไปทุกขาความเกิดก็เป็นทุกชรลาไปทุกขาความแก่ก็เป็นทุกมารณะไปทุก ข, ขังความตายก็เป็นทุก โศกกะปริเทวุทุกขโทมณ ส, สุปายาสาปิทุกขาความโศกความรำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความครับแค้นใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์พลัดพลาดจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์ว่าโดยโยปทานขันทั้ง5้าเป็นตัวทุกข์ก็คือความทุกข์เนี่ยแยกก็เป็นความทุกข์ในทางกายและใจนะ เมื่อเราเกิดมาแล้วมีร่างกายก็แน่นอนว่าเราจะต้องดําเนินไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายนะเ ป, นเป็นความเปลี่ยนแปลงที่แน่นอนอยู่แล้วนะจากเมื่อก่อนเราเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวเดี๋ยวนี้ก็เราอาจจะเริ่มเข้าสู่วัยชรานะนี่คือเราจะไม่อาจจะหวนกลับไปเป็นหนุ่มสาวได้ครั้งหนึ่งนะนี่คือความทุกขนะ์ในทางร่างกายนะนะเราเคยมีผมดํามื่อกลายเป็นผมสีขาวนะเคยมีตา ที่ดีก็กลายเป็นตาฟ้าตาฟ า, ตาฟางตาสั้นตายาวนะหูนะมะก่อก็ปกติก็กลายเป็นหูตึงรนะ่างกายผิวหนังก็เริ่มจะหย่อนเริ่มจะเหี่ยวยน่นะอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถเห็นได้ว่าเราบังคับก็ไม่ได้แล้วนี่นะคือความทุกข์คนวะามทุกข์เป็นสิ่งเราต้องเห็นนะบ า, บางทีถ้าเราไม่เห็นแล้วเราก็ไม่อยากจะมาปฏิบัติธรรมก็คือ บางทีก็เคยชวนคนมาปฏิบัติธรรมเถิดก็บอกจะปฏิบัติธรรมไปทําไมเขาบอกปฏิบัติธรรมแล้วความทุกข์ก็จะน้อยลงก็บอกว่าเขาก็ไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่มาปฏิบัติธรรมนะก็คือจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นแบบนี้ว่ า, ามันไม่ค่อยมีความทุกข์อะไรนะความทุกข์ก็คือเป็นความพัดพลาดต่างๆที่รู้สึกว่ามันจะร้ายแรงนะหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ร้ายแรงแต่ความทุกข์เล็กๆน้อยเขาก็มองไม่เห็นนะหรือพยายามที่จะมองข้ามไป นะอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองค่าไม่ได้เพราะไม่ได้ความทุกข์เล็กน้อยก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะตอนนี้เราเห็นความทุกข์ไหมนะเราอาจจะนั่งมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะจะมีความปวดเมื่อยนะเห็นไหมว่าความปวดเมื่อยนี่แหละคือความทุกข์บางท่านก็รู้สึกง่วงนอนความง่วงนอนนี่ก็คือความทุกข์นะบางท่านก็รู้สึกหิวเนะี่ยก็เป็นความทุกข์่างเหมือนกัน บางท่านอาจจะรู้สึกมันเย็นๆนะหรืออาจจะรู้สึกร้อนๆนะนี่ก็เป็นความทุกข์ในการที่เรากระทบจะร้อนออนแข็งต่างๆนะบางท่านก็ไม่ไม่เคยตื่นเช้านะมาตื่นเช้าก็รู้สึกมึนๆหัวนะอันนี้เป็นความทุกข์ที่เราสามารถที่จะสัมผัสได้เพราะว่ามีอยู่จริงนะ แต่ว่าเราเราจะไม่สังเกตในตรงนี้เพราะว่าเราจะแก้ทุกไปอย่างรวดเร็วนะเราปวดเมื่อยเราก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิรโบทเราก็แก้ทุกไปแล้วเนี่ยเาเรียกว่าอิรโบทปิดบังทุกนะเราเราหิวเราก็ไปทานอาหารก็เป็นการแก้ทุกแต่เราก็ไม่รู้นะวันนี้เป็นการแก้ทุกแม้แต่เราแปลงฟันก็เป็นการแก้ทุกนะเราอาบน้ําก็เป็นการแก้ทุกเราสระผมก็เป็นการแก้ทุกจริงๆแล้วในอิรโบทต่างๆที่เราทําในชีวิตประจำวันนี่แหละส่วนใหญ่เป็นการแก้ทุกแต่เราก็ไม่รู้เนาะ เราต้องกลับมาเห็นความทุกข์นี้ให้ชัดเจนแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วนัมันมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นทุกนั้นตั้งอยู่และทุกเท่านั้นทีดับไปนะจะได้รู้จักความทุกข์อย่างแท้จริงนั้นะเราจะหนีก็ไม่พ้นหรอกนะความทุกข์ในทางกายนี่ก็มีอยู่บ่อยๆอย่างที่เราได้รับรู้มาแล้วนะแล้วก็แต่จริงๆแล้วความทุกข์ในทางกายนี่นะมันเป็นสิ่งที่เราแก้ก็ไม่ได้ก็คือเราแค่บรรเทาทุกข์เท่านั้นเอง เราหิวเราไปทานอาหารเราก็ประเดี๋ยวหิวใหม่ก็ต้องไปทานอีกนะเมื่อยเราก็ลุกไปเปลี่ยนขึ้ไปเดินนะเดี๋ยวเมื่อยเดินไปเรื่อยๆก็เมื่อย ก, ก็กลับมานั่งใหม่นะอันนี้เป็นการแก้แล้วก็เป็นการบรรเทานะหรือไม่เราก็อืมเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วรักษาไปนะอ่านะหายไว้ก็เจ็บไข้ได้ป่วยใหม่นะ สิ่งเราเนี่ยเป็นการบรรเทาทุกข์ทั้งนั้นเลยนะมันไม่ใช่ว่าเป็นการแก้ได้จริงๆนะเป็นการบรรเทาชั่วคราวนะซึ่งเราถ้าเราเข้าใจตรงนี้ว่าร่างกายนะเราจะแก้ให้เขากลับมานะพ้นจากความทุกข์จริงๆไม่ได้นะเพราะร่างกายนี้เขามีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นนะมันก็อาศัยการที่เราบรรเทาเขาชั่วคราวท่า crowd, ทนั้นแล้วเขาก็จะมีความทุกข์ต่อไปนะแต่ว่าในทางจิตใจนั้นนะมันก็มีความทุกข์ อยู่อีกส่วนหนึ่งนะเราก็จะเห็นนะความทุกข์ก็เกิดจากความโลภความโกรธความหลงต่างๆนี่แหละเนะาะค่ะเนี่ยในในสิ่งเหล่านี้อารมณ์ต่างๆที่นําความทุกข์มาให้เราเนีจริงๆแล้วมีมีความทุกข์มากกว่าทางกายนะเพราะเป็นเหตุให้คนเนี่ยฆ่าตัวตายได้จากเอาความทุกข์ในทางทางจิตใจนะบางคนแค่โดนแฟนนะหักอกนะหรือท้อทิ้งไปก็ค่าตัวตายซะแล้ว นะหรือไม่ก็เป็นนี้เป็นสินก็ทนไม่ไหวก็ฆ่าตัวตายบางทีก็ฆ่าครอบครัวตายปเปอกีกเนาะความทุกข์ในทางใจนี่มีอยู่บ่อยๆนะบางทีบางคนมีความโกรธ <c oughs> ก็อยากจะฆ่าคนนะอยากจะฆ่าคนอื่นนะนี่เป็นความทุกข์ที่เรียกว่าทนไม่ไหวจริงๆนะเพราะฉะนั้นความทุกข์ในทางใจเนี่ยดูแล้วจะรุนแรงกนะ ว, ว่าความความทุกข์ในทางกายอกีกนะ ความทุกข์ในทางกายนี่เราเราแก้ไขได้ง่ายกว่านะแม้แต่ว่าเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะเป็นโรคมะเร็งต่างๆมันเป็นความทุกข์ในทางกายแต่ถ้าเป็นความทุกข์ในทางกายแล้วจิตใจเราไม่ทุกข์ก็ไม่เป็นไรนะมันอยู่ที่ว่ า, าทุกข์ในทางกายเนี่ยมันจริงๆมันแก้ไม่ได้นะแต่ทุกข์ในทางใจเนี่ยเราสามารถแก้ได้นะการแก้ทุกข์ในทางใจก็คือเราไปบัติธรรมแล้ว เ, เราจะเห็นในสภาวะ ที่มันไม่ตัวไม่ตนแล้วเราก็ไม่ยึดติดนี่แหละมันจะเป็นการแก้ทุกข์ในทางใจได้นะเห็นสภาวะธรรมต่างๆเป็นอ น, นิจจังทุกขังนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เขาก็เป็นเช่นนั้นเองเพราะในทางกายนี่เรารู้ว่าเราแก้ไม่ได้แต่ในทางใจนี่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะการประธรรมก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางใจที่กลับมายอมรับความจริงในความเป็นอ น, นิจจังทุกขังนัตตาแล้ว h, ความทุกข์ในจังทางใจก็จะลดลงเราก็เห็นทุกอย่างมันไม่ตัวไม่ตนมันไม่เที่ยง มันบังคับบัรชาไม่ได้มันก็ปล่อยก็วางนะเหมือนกับที่พระอรหันต์ท่านก็บรลุธรรมเมื่อท่านบรุธรรมแล้วมความทุกข์ในทางกายท่านก็มีอยู่แต่ความทุกข์ในทางใจท่านก็น้อยลงหรืออาจจะหมดไปในที่สุดนะเพราะว่าเหตุแนหะ่งความทุกข์ในทางใจท่านจบไปแล้วนะในพนั้นการนี้เรามาปฏิบัติธรรมก็คือเรามาแก้ความทุกข์ในทางจิตใจกันนะซึ่งเป็นความทุกข์ที่สามารถแก้ได้อย่างเด็ดขาด นะไม่ได้เป็นการแก้ทุกข์ในทางอื่นนะถ้าเราจับประเด็นได้แล้วก็จะง่ายขึ้นนะเราก็สังเกตความทุกข์ในทางใจมีอะไรบ้างนะสาเหตุหลักๆ ก, ก, ก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่แหละนะมันอยู่ในใจเรานะแล้วเราก็แค่รู้เท่าทันอารมณ์เหล่านี้เขาก็จะลดลงไปลดลงไปโดยที่ว่าเราไม่รู้ตัวนะเพรา ะ, ะนั้นการที่เรามาฝึกเนะจริญสติในครั้งนี้ก็คือเราตามรู้ความจริงนะในกายและใจ นะพลังสิ่งนี้เป็นตัวเราเนี่ยก็มีแค่กายและใจเราเท่านั้นเองแล้วเราก็ไม่ได้ไปรู้ความจริงอย่างอื่นนอกจากกายและใจนะไปรู้ความไปรู้อย่างอื่นนอกตัวเราเองัทวทั้งโลกนะจบริญญาเอกมามากมายแมนก็แก้ทุกไม่ได้แม้แต่นิดเดียวแต่กลับไปรู้ความจริงในกายและใจนี่แหละนะเราจะได้แก้ทุกของเราได้นะครนีนะ้เราก็ตามรู้กายรู้ใจนะตามรู้อย่างไรนะพระเจ้าก็ได้ส่งแสดงไว้ในสติปัฏฐาน4นะในเรื่องกาย เวทนาจิตธรรมนะเริ่มต้นในทางกายก็คือให้รู้กายตามที่เขาเป็นจริงๆนะเช่นในอานาปนสติกบอกว่าหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นก็รู้หายใจออกสั้นหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวก็คือให้รู้ตามความเป็นจริงที่เขาเป็นก็คือเข้าหายใจอย่างไรก็รู้ตามนั้นไม่ต้องไปดัดแปลงเขา ถ้ไม่ได้บอกว่าหายใจเข้าสั้นๆหรือหายใจออก uit, อยาวๆนะก็แต่ให้รู้ตามความเป็นจริงเนาะต่อมาก็ให้รู้ในทางอบทใหญ่นะก็คือยืนเดินนั่งนอนยืนก็รู้ว่ายืนเดิ น, possibly, ด น, ด น, นก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้นั่งนอนก็รู้ว่า น, นอ น, น, อ, นอันนี้ก็ให้รู้ตามความเป็นจริงที่เราเคย أ, ยืนเดินนั่งนอนอย่างไรก็รู้ไปตามความเป็นจริงเช่นนั้นนะท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้เราต้องไปดัดแปลงเช่นเดินช้าๆหรือเดินเร็วๆหรือเดินอย่างไร นั่นก็กลับมาให้รู้ความเป็นจริงเช่นนี้มากกว่าต่อไปท่านก็ให้รู้ในอิบุยเยอะต่างๆในสามเช่นญาติแบ บ, บพระก็บอกว่าเหลยวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังคู้แขนเหยียดแขนก้มเงยดื่มกินพูดคิดทรงจีวรสังคาติอุจจลปัสวะก็ให้รู้ไปตามความเป็นจริงรู้ไปในขณะอาการเหล่านั้นตามที่ก็เป็นจริงๆนะ ก็คือเราสามารถที่จะรู้ในบทย่อยต่างๆของเราได้นะตามความเป็นจริงท่านไม่ได้บอกว่าต้องทําช้าๆหรือทําเร็วๆรือทําอย่างไรแต่ว่าเราเคยทําอย่างไรก็ทําไปตามนั้นนะให้เรารู้ในสภาพว่าตามประความเป็นจริงที่เราเคยเป็นนั่นแหละคือจากการที่เราไม่รู้ก็กลับมารู้นะก็มือนกัที่สมัยหนึ่งก็มีพราม์าถามพระเจ้าว่าท่านมีอะไรเป็นเครื่องอยู่พระเจ้าบอกว่าเรายืนเดินนั่งนอนเป็นเครื่องอยู่พรามณ์ก็หัวเราะเยาะมาว่า ชาวบ้านเขาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเขาก็ยืนเดินนั่งนอนเหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เหมือนกันตถาคตยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้นั่งนอนก็รู้นอนเนาะมันก็ต่างกันนะเพราะชาวบ้านเขาก็ไม่ได้รู้เช่นเนี้ยพระมก็ยอมรับความจริงนะว่าจริงๆนี่เราก็ไม่รู้ว่าเรากำลังทําอะไรอยู่นะเพราะฉนั้นก็คือเราสามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้ไหมขนาดนี้เรานั่งอยู่เรารู้ไหมว่าขณนาดเรานั่ง ถ้าเรารู้เรานั่งก็เป็นการเจริญสติเสร็จแล้วนะเดินก็รู้เราเดินนะเป็นการเจริญสติเสร็จแล้วนะบางท่านก็จริงๆแล้ว <c oughs> พวกเราบางคนก็เดินมาตลอดชีวิตแล้วก็ไม่รู้ก็ว่าเราเดินก็มีนะมันเป็นเรื่องที่ว่าเราไม่รู้ว่าขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่นี่ก็เป็นเรื่องจริงนะก็คือเกือบจะเก้าสิประมาณเก้าสิเอร์ซเลยไม่รู้ว่กากำลังเดินเพราะว่าเป็นการเดินด้วยความเคยชินนะสิ่งใดที่เป็นการเคยชินนั่นแหละเป็นตัวหลงนะ เพราะในขณะเราเดินเราก็คิดไปด้วยแม้แต่ชีวิตจําวันเราง่ายๆนั่เราแปลงฟันเราก็แปลงด้วยความเคยชินเราไม่ได้กลับมารู้ว่าขณะนี้กำลังแปลงฟันนะมันเป็นเมื่อเราทําด้วยความเคยชินนั่นแหละคือการหลงไปนะเราทานอาหารก็เป็นการทานก็ไม่รู้ขณะนี้กำลังทานอาหารก็ทานด้วยความเคยชินนี่นั่นแหละนะเราก็นั่นแหละคือความหลงไปแต่พระเจ้าข้ให้กลับมารู้ความจริงในขณะนี้ว่าเรากำลังทําอะไรนี่แหละมันจะได้ไม่หลงนะกลับมารู้แทนก็คือเรามีเจตนาในการรู้ การเคลื่อนไหวต่างๆกลับมารูในตรงนี้มันจะกลายเป็นว่ามีความรู้เกิดขึ้นนะเมื่อมีความรู้เกิดขึ้นแล้วความเคยชินก็หายไปนั่นก็คือความหลงก็ดับไปนะตรงนี้ก็คือกลับมารู้ความจริงในสภาวธรรมต่างๆที่เราเกิดขึ้นในขณะนี้เท่านั้นเองนะเราไม่ได้ไปทาอะไรนอกเหนือจากนั้นเลยนะแล้วต่อมาในในเรื่องจิตเรื่องจิตท่านก็บอกว่ามีราคะก็รู้มีราคะมีโทสะก็รู้มีโทสะมีโมหะก็รู้มีโมหะ ไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีาามม โ, มมโมหะจิตมีสภาวธรรมใดๆเกิดขึ้นก็ให้รู้ตามความเป็นจริงของสภาวธรรมเหล่านั้นถ้าไม่ได้บอกว่ามีจิตมีราคะก็ให้ละราคะจิตมีโทสะก็ให้ละโทสะถ้าไม่ได้บอกนะท่านบอกว่าให้รู้เท่านั้นเองนะเราก็รู้เท่านั้นเองนะจริงๆแล้วถ้าเรามีสติจริงๆเมื่อเ ร, รู้แล้วนะมันก็จะดับดับไปหรือน้อยลงยกตัวอย่างเช่นความคิดนะ เมื่อก่อนเราคิดในบางที5นาทีคิดไปต้องห้าเรื่องสิบเรื่องอันนั้นเราเราไหลเข้าไปในความคิดก็คือเราเข้าไปในความคิดแต่ถ้าเรามีสติแล้วเราเห็นว่าเออเราเราเห็นความคิดนะเมื่อก่อนมันคิดไปหลายๆเรื่องแต่เราไม่เห็นแล้วก็เข้าไปในความคิดแต่เมื่อเรามีสติเราคิดไปปั๊บเนี้นคิดคิดไปเรื่องเดียวเราก็รู้ทันแล้วว่าขณะนี้มีความคิดเกิดขึ้นในใจเรานะเขาก็จะจะดับไปอย่างรวดเร็วนะก็คือมันจะกลับมันจะเปลี่ยนนะมันจะเปลี่ยนจะเป็นผู้ผู้เป็นไปเป็นผู้เห็น กนะ็คือเมื่อก่อนเราเข้าไปเป็นแต่ตอนหลังเราจะเป็นผู้เห็นความโกรธก็เหมือนกันนะมีสติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเราเราเป็นผู้โกรธนะใครมาดา่าเรามาว่าเราเราก็จะเป็นผู้โกรธก็คือเราเข้าไปในความโกรธเลยนะบางทีทํารุนแรงเรายังไม่รู้ตัวเลยนะแต่พ่าตอนหลังเรามีสติแล้วเราจะเริ่มเห็นความโกรธแล้วน ะ, นะะมันจะเห็นอาการของความโกรธก็คือมีความห ง, งุดหงิดความขัดเคลืองความไม่พอใจเกิดขึ้นเราจะรู้ทันก็คือเราเห็นมื่ก่อน พอเราเห็นมันกอดปุ๊บมันก็จะเบาลงแล้วมันก็จะค่อยๆเบรกตัวมันเองจนมันมันหมดไปนะเพราะต ร, ตรงนี้ก็อย่างที่พระเจ้าก็บอกแล้วว่าเออเราเราแค่รู้แค่เห็นเท่านั้นเองนะมันก็จะน้อยลงดับไปนะเราโดยล้วไม่ไปทําอะไรมันไม่ต้องไปผักใส่เขาแค่เราเห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเบาลงไปแล้วนะอย่างที่ว่าเมื่อเฝ้าดูก็รู้แจ้งนะเราก็คอยเฝ้าดูกายและใจตามความเป็นจริงนี่แหละมีอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้เท่าทันไปในอาการกิริยานั้นๆ น, น, นะ และการรู้นี่เรารู้ขณะไหนนะเรารู้ในขณะปัจจุบันนะไปบันเช่นเรานั่งนะเราไม่ต้องคิดว่าขณะนี้เรากําลังนั่งแต่ว่าเป็นความรู้เท่านั้นเองนะหรือเรายกมือเราก็ไม่ต้องคิดว่าขณะนี้กำลังยกมือไม่เราบอกว่ายกมือหนอยกหนอกกำลังยกกําลังยกอันนั้นคือความคิดนะแต่เป็นเรื่องที่ว่าเราเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าขณะนี้กำลังยกมือเราจึงไม่ต้องใช้ความคิดก็ไปช่วยหรือนั่งเหมือนกันเราก็บอกว่ากําลังนั่งนั่งหนอ อันนี้ก็คือความคิดแต่เรารู้ว่าขณะนี้กําลังนั่งเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่กับปัจจุบันนี้มันจึงไม่ต้องคิดมันมันเป็นการตัดความคิดออกไปนะเป็นแค่การรู้เท่านั้นเองและเป็นการรู้เฉยๆด้วยนะเพราะฉะนั้นนะปัจจุบันธรรมจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่านี่แหละมันไม่ต้องคิดแต่ใส่แค่ตัวรู้เท่านั้นเองนะแต่ถ้าเราเอา่าเราเมื่อวานนี้เรากินข้าวกับอะไรเราต้องไม่คิดถึงเมื่อวานกินกับอะไร หรือพุ่งนี้เราจะทําอะไรอันนั้นก็คือเป็นเรื่องเราต้องคิดถึงนะเพราะฉะนั้นอดีตหรืออนาคตนั่นแหละเป็นเรื่องเราต้องคิดแต่ปัจจุบันนจะทำจริงๆแล้วไม่ต้องคิดนะเราจริงๆแล้วในชีวิตเราก็มีอยู่แค่ตรงนี้นะก็คือเดี๋ยวนี้ขณะนี้เท่านั้นเองนะชีวิตเรามีอยู่แค่นี้นะมันไม่ได้มีพุ่งนี้หรือว่าเมื่อวานนี้นะเ พ, พราะพุ่งนี้ก็แค่อยู่ในความคิดเหมือนกันนะหรือเมื่อวานนี้มันก็ผ่านมาแล้วมันก็อยู่ในแค่ความคิดนะเพราะนั้นสังเกตดูว่า ความคิดกับความรู้มันจะต่างกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นมันจะเข้าไปในอ ด, ดีตหรือนาค้เป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นโดยรู้มันจะอยู่ในปัจจุบันนะเป็นส่วนใหญ่นะเพราะเราต้องสังเกตว่าเออขณะนี้เรารู้โดย<โด Laughs>ที่ไม่คิดได้ไหมนะเ ป, นเป็นการออกจากความคิดที่แท้จริงถ้าเรามามารู้ในทางกายนะแต่การรู้ในทางกายถ้าเรานั่งนิ่งๆนั้นมันก็จะเข้าไปในความคิดอีกครั้งหนึง่งนะเพราะว่าเมื่อจิตมันนิ่งแล้วมันก็จะเริ่มทํางานในทางจิตในการที่มันจะเริ่มไปคิดอีกครั้งหนึง่ง เ่อเราก็ให้กลับมาลูแทนนะก็มีการเคลื่อนไหวต่างๆเช่นยกมือสร้างยังหวะเดินจงกรมหรือพลิกมือขึ้นหรือไม่ก็คลึงนิ้วต่างๆเพื่อให้เกิดตัวรู้ในทางกายเกิดขึ้นรานนั้ก็จะเปลี่ยนจากความคิดมาเป็นตัวรู้แทนนะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปห้ามความคิดนะไม่ไดบอเออมันไม่คิดแล้วเราก็เลยไปห้ามความคิดซะเลยอันนั้นเราไม่จะเป็นตอะไปห้ามแต่ว่าให้เข้าทํางานตามความเป็นจริงพรนะพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามไม่ได้บอกว่าเออ มีความคิดเกิดขึ้นก็ให้ให้ให้ใหยุดหยุดคิดนะมีความคิดก็ให้รู้ว่าขณะนี้กำลังคิดเนี่ยเพราะฉะนั้นแค่เรารู้ว่าขณะนี้กำลังคิดก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วะเพราะว่าอ่าสติคืออะไรสติคือความะระลึกได้นั่นเองะระลึกได้ขณะนี้กำลังคิดเนีกำลังรักกำลังชังกำลังโกรธกำลังเกลียขดขณะนี้กำลังนั่งอยู่นะเป็นการรู้ในขณะปฏิบันนี้แหละเป็นการะระลึกได้นะ เพราะนะั่นเมื่อเราเลิกได้ว่าขณะนี้กาลังคิดแล้วอันนี้มันเป็นการเจริญสติจบแล้วนะมันไม่ได้ไปห้ามว่าต้องไม่คิดนะแต่เมื่อคิดแล้วเรารู้ไหมว่าเราคิดนะแค่เรารู้ว่าเราคิดนี่แหละคือการ เ, ราเลึกได้หรือว่าเป็นการที่เรามีสติแล้วนะพอหลังนั้นเขาจะคิดหรือไม่คิดต่อก็ไม่เป็นไรไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่วิธีการก็กคือกลับมารู้สึกตัวใหม่นะความคิดก็จะน้อยลงดับลงอันนี้ก็คือกลับมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งนะเราก็จะเริ่มเห็นความคิดมันก็ดับไป นะตรงนี้ก็เป็นการที่เรียกว่าเราสามารถที่จะเห็นความคิดได้ในระยะต่อมาบางคนก็บอกว่าเอ้เราอยู่บ้านมันไม่เห็นจะคิดเยอะเลยแต่ทําไมมาเปิดประทัมจึงคิดเยอะจริงๆแล้วเราอยู่บ้านเราก็คิดเยอะอยู่แล้วแต่เราเราไม่เห็นความคิดนะแต่พอเรามาเปิดประทัมเราก็จะเริ่มเห็นความคิดแล้วก็รู้สึกว่าเขาคิดเยอะคิดเยอะแต่สําคัญว่าเมื่อเขาคิดเนี่ยเราเรารู้ทันไหมประเด็นมันอยู่ตรงนี้มากกว่าเราไม่ได้ไปห้ามความคิดแต่ว่าเมื่อเขาคิดเนี่ยเรารู้ทันไหม พระลุงพระเทีนยังบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะก็คือเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นสัก10ครั้งนะเราเรารู้ทันสักแปครั้งแสดงว่าเราหลงแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นเองอันนี้แสดงว่าจิตเราเริ่มเริ่มตื่นตัวขึ้นมาแล้วที่จะรู้ทันความคิดนะแต่ถ้าคิดไปสิครั้งรู้ทันแค่หนึหรือสองครั้งนี่ก็แสดงเราหลงต้องมากมายนะเพราะนั้นอันนี้เราก็ยังหลงเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นความคิดบ่อยๆอย่างนี้เราก็จะได้คะแนนแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะ เห็นค้างหนึ่งก็ได้คะแนนค้างหนึ่งแล้วเพราะว่าจิตมันจะเริ่มตื่นตัวขึ้นมานันก็เรียกว่าเป็นการเขย่าท่านรู้นะเขย่าท่านรู้ในการที่ก็จะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นก็ท่านเลยบอกว่าเราก็อย่าอยู่นิ่งๆนะให้เรามีการเคลื่อนไหวต่างๆนะเพราะการเคลื่อนไหวนี่เราเป็นการให้ใจในรับรู้การเคลื่อนไหวเพราะจากเมื่อก่อนเราทําด้วยความเคยชินใช่ไหมเราก็เช่นเราอ่ะกวาดบ้านนะกวาดบ้านก็กวาดด้วยความเคยชินนั่นแหละมันก็ไม่รู้สึกตัวอะไรนะ ไม่รู้สึกตัวว่าขณะนี้กาลังทําอะไรอยู่แต่พอเรากลับมารู้ว่าเนี่ยกวาดบ้านเรากายเคลื่อนไหวใจรับรู้นะนี่เป็นการเปลี่ยนความเคยชินจากที่เราเคยกวาดบ้านนั่นแหละโดยอัตโนมัติอนั่นคือการหลงกลับมารู้ขณะนี้กายเคลื่อนไหวจะรู้มารู้แค่รู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรนี่แหละคือความรู้สึกตัว เราสังเกตไหมว่าความรู้ตัวกับปัจจุจจบันคือตัวเดียวกันนะปัจจุบันก็คือรู้ว่าขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นความรู้ตัวก็คือกายเคลื่อนไหวจะรับรู้ว่าขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่นั่นเองนะเพราะนั้นสังเกตได้ว่าตาเมืม่อใดที่เรามีความรู้ตัวเมื่อ น, นั่นแหละเราอยู่กับปัจจุบันแล้วมันก็ไม่ต้องอาศัยความคิดอาศัยแ ค, ค่คคตัวรู้แต่เมื่อใดที่มัเข้าคิดไป น, นั่นแหละมันลงเข้าไปในอดีตหรือในอดตแล้วนั่นคือตัวหลงนะความเคยชินก็เป็นตัวหลงเนี่ยพอเราจับประเด็นได้เนี้เราก็จะง่ายขึ้น เพราะเราเราก็ไม่ได้ว่าเออมันจะต้องรู้สึกตัวทั้งวันตลอดเวลามันไม่หลงนะหรือว่ามันจะต้องมีสติตลอดเวลานั่นก็ไม่ยําเป็นนะอันนั้นคือเราไปบังคับเขาอีกแล้วนะบังคับให้เขาเป็ น, ปนไปตามเราต้องการนะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือให้รู้ไปตามความเป็นจริงที่เขาเป็นไม่ใช่ให้เขาเป็นไปตามที่เรารเราต้องการนะการที่เราให้เขาเป็นไปตามเราต้องการเราก็มีการบังคับกดข่มนะแล้วมีการที่เรียกว่าคอยคอย ประคองเอาไว้ ution, นะอันนั้นคือการบังคับทั้งนั้นอันนั้นคือสมถะนะเพราะว่าต้องการ้เราเป็นไปตามที่เราต้องการนะแต่การถ้าเรารู้ความจริงที่เขาเป็นนะอันนั้นก็คือวิปัสสนาก็คือเราเห็นสภาวธรรมที่เขาเป็นจริงๆแล้วเราก็แค่เฝ้าดูสภาวธรรมแล้วเราก็จะเห็นสภาวธรรมที่เราบังคับบัญชาก็ไม่ไดนะ้เขาจึงมีสภาวธรรมที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะมีความเกิดความดับเกิดขึ้นไหมเราเห็น เราเราก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรเราแค่เป็นผู้ดูเท่านั้นนั่นนี่ก็คือวิปัสสนาก็คือเราเห็นไปตามความเป็นจริงนะเมื่อเราบังคับเข้าได้สิ่งที้ตามมาก็คือกลายว่าเราสามารถบังคับบัญชาได้นะว่าเออเขาโกรธในเราก็สามารถบังคับเขาไม่โกรธไดนะ้เขาคิดก็เราก็ทําให้เขาไม่คิดได้เราก็คอยประคองอ่านะให้เขาสงบได้นานๆอันนะั้นะนะเราจะรู้สึกว่าเออเราเริ่มบังคับบัญชาก็ได้บังแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้นนี่แหละก็คือความเป็นตัวเป็นตนที่เกิดขึ้นมา แต่ถ้าเราเห็นไปตามความเป็นจริงนะเราก็ word, เข้าคิดแล้วก็รู้แล้วเข้าคิดไปก็ไม่เป็นไรก็กลับมารู้ใหม่แล้วเราก็เห็นเออความคิดเกิดมาใหม่ก็รู้ไปกลับมาใหม่อันนี้เราในสุดเราก็เริ่มเห็นว่าเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้นะเพรา ะ, ะความคิด น, น, นั้นเป็นสิ่งที่ว่าเข้าคิดเอง แ, แท้เลยนะเราเราก็รู้รู้เห็นในสิ่งเหล่านี้ว่าเอเขาเกิดบ่อยเกิดบ่อ ย, อยนี่แสดงเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะแล้วเขาก็ไม่ใช่เราคิด เพราะเรายังไม่รู้เลยว่าอีกนาทีข้างหน้าเขาจะคิดเรื่องอะไรนะเราก็จะสังเกตรเรานี้บ่อยๆก็คือเห็นบ่อยๆมันก็จะเริ่มเข้าใจว่าเนี่ยพอเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะเมื่อเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เข้าจึงไม่เห็นตัวเมตนของเรามันก็จิตก็เริ่มปล่อยเริ่มวางในสิ่งหรือว่าความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราก็คือกายและใจเนี่แหละที่เราเข้าใจผิดนะว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเพราการปฏิบัติธรรมจริงๆนีน่ก็เป็นการแค่อถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนนี้เท่านั้นเอง เพราะอย่างที่เราได้ส่วนมนต์ต่างๆมาแล้วนะก็บอกว่ารูปเวนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหนาตาไม่ตัวไม่ตนไม่เป็สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่พระเจ้าได้พูดไว้ชัดเจนแล้วนะแต่ว่าเราก็คล้ายๆโลดส่วนมนต์ไปด้วยความจําเท่านั้นเองนะเรายังไม่เกิดปัญญาที่ว่าจะเห็นในตรงนี้ได้จริงๆนะคราวนี้เมื่อเราไปบัตธรรมแล้ว <c oughs> เราก็จะเริ่มเห็นความจริงในตรงนี้แล้วว่ามันบังคับบัญชาไม่ได้จริงๆนะในกายและใจ กายก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเปลี่ยนแปลงใจก็บังคับบัญชาเข้าไม่ได้ก็ก็มีแต่ความคิดมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นทั้งวัน่เดี๋ยวก็พอใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจนี่แหละเป็นสภาวะธรรมที่แท้จริงที่ว่าเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อเราเข้าใจตามธรรมชาติตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเราบังคับเขาไม่ได้จริงๆนะก็คือเราสามารถเข้าไปเห็นธรรมชาติได้จริงๆว่าธรรมะธรรมชาติคือตัวเดียวกันเมื่อที่หลวงพ่อคำเขียนนั่นก็มีเขียนเอาไว้นะ อตอนนี้ก็ติดอยู่ที่สารนาที่แผ่นป้ายตรงหน้าพระประธานนั่นแหละเพราะว่ า, วาธรรมะคือธรรมชาติเ <c oughs> มื่อเราเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงแล้วเราก็สามารถบรรลุธรรมได้นะตรง น, นี้ก็คือเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของจิตใจของเราอย่างแท้จริงแล้วเราก็บรรลุธรรมได้เหมือนกันเพราะเราจะเห็นธรรมชาติของจิตใจนั้นมันมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ตัวไม่ตนเพราก็แสดงความเปลี่ยนแปลงทั้งวันอยู่แล้วนะ เราไม่ต้องไปจัดการให้เขาไม่ต้องเปลี่ยนแปลงให้เขาดีตามที่เราต้องการหรอกเพราะนั้นเป็นการบังคับเขาแล้วเราก็จะไม่เห็นความจริงนะแต่เราแค่รู้ไปตามความเป็นจริงเท่านั้นว่าเขาก็เป็นเช่นนั้นเองนั่นเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้จิตก็จะเริ่มคลายความยึดมั่นถือมั่นในในกาล ใ, ในใจนี้จากการยึดมั่นว่าเป็นของเรามจะเริ่มค่อยๆปล่อยค่อยๆวางค่อยๆไม่ยึดไม่ยึดไม่ติดนะตรงนี้ละน่ะก็คือความพ้นทุกข์ที่แท้จริง เราแค่เข้าใจธรรมชาติเท่านั้นเองนะแล้วเราก็ไหลเข้าไปตามธรรมชาติเราก็ยอมรับสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในกายและใจนะเราก็ไม่ไปไม่ไปบังคับไม่ไปกดข่มเขาไม่ให้ประคองให้เขาเป็นไปตามเราต้องการเราแค่รู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเราจึงมีหน้าที่แค่เฝ้าดูกายเฝ้าดูใจนะอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าแค่เฝ้าดูก็รู้แจ้งนะเพราะเราก็จะแสดงความจริงเราเห็นนะว่าการปฏิบัติธรรมก็คือเป็นการกลับมารู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองนะอย่างที่พระเจ้าได้บอกไว้ต้องหลายอย่างนะหายใจก็รู้ตามความเป็นจริงยืนเดินนั่งนั่รู้ตามความเป็นจริงนะสิ่งเหล่านี้ก็คือเพราะว่าคนเราจะไม่ค่อยรู้ว่าเราขณะนี้อเรากาลังทําอะไรอยู่จิตใจกาลังทําอะไรอยู่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือความหลงแต่เมื่อเราเห็นความจริงแล้วนี่แหละคือความไม่หลงนะความไม่หลงก็คือความรู้รู้ในอะไรรู้ในอริยสัจสังสีนะก็คือหนทางความบรรทุกข์มันก็อยู่ตรงนี้ว่านะเรากลับมารู้กายรู้ใจแล้วเราจะเห็นความจริงของกายและใจ ว่าเขาบังคับบัญชาไม่ได้เลยนะเขเป็นแค่ น, นั้นขเขาเองเราก็จะรู้ว่าเออจริงๆแล้วนะทั้งกายและใจมันไม่ตัวไม่ตนของเราเราก็จะออกจากความยึดติดเ <c oughs> มื่อไม่ยึดติดเมื่อเกิดการปล่อยการวางเมื่อเกิดการปล่อยการวางความทุกข์ในใจเราก็ลดลงนะเพราะตอนนี้ถ้าเรารักใครนะ <c oughs> เราก็จะทุกข์กับคนนั้นนะเราห่วงใยใครเราผูกพันใครเรายึดถือใครเราก็จะทุกข์จากคนนั้นเพราะว่า สิ่งเรายึดถือทั้งหมดคนนั้นนะมีแต่ความไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยนะเมื่อเขาไม่เที่ยงไปนั่นแหละก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเราแล้วนะแม้แต่เรายึดตัวเราเองเราก็จะมีความทุกข์นะตัวเราเองนะคนเราตัวเราเองเราจะรักตัวเราเองมากใครจะมาด่านะด่าใครทั่วโลกนะเราไม่ทุกข์หรอกแต่เมื่อใดที่การดา่านั้นวกกลับมาสู่ตัวเราเราจะมีความทุกข์เพราะคาําด่านั้นเพราะว่าเรายังยึดตัวเองเนี่ยเป็นหลักนะว่าตัวเรานี่นะต้องดีต้องวิเศษ มันมันนี่แหละคืออัตราตัวตนนะแต่ถ้าเราเข้าใจในตรงนี้เราก็ไม่ยึดตัวเองเนี่ยใครจะมาดา่าเราทั้งโลกนะเราก็ไม่ทุกข์อีกแล้วนะเพราะว่ามันไม่ตัวไม่ตนของเรานะเพราะฉะนั้นเราจะชนะใครทั้งโลกมันไม่มีประโยชน์แค่ชนะตัวเราเองนะว่าการชนะตัวเราเองเนี่ยมันคือจบแล้วนะเพราะฉะนั้นการเที่ยวแก้ทุกข์ก็คือแก้ที่ใจเรานี่แหละหลให้ละจากความยึดมั่นถือมันในตรงนี้นะแล้วเราก็จะชนะนะทั้งโลกได้เลยนะแต่เราชนะทั้งโลกมันไม่ได้แก้ไขแม้แต่นิดเดียว มันกลับมารู้จากตัวเองนี่แหละอนะเพราะฉนั้นในที่สุดพระพุท ธ, ธเจ้าก็เลยสรุปธรรมว่าสัพเพธรรมานาราภิเนเวสายะทำทั้งหลายเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นณนะอันนี้ก็เป็นการออกจากความทุกข์ได้เนะพราะเป็นการปล่อยการวางการไม่ยึดติดนะตรงนี้มันจะเข้าหลักในที่พรุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไวนะ้ในสิ่งเหล่านี้มีแต่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นมีแต่การปล่อยการวางนะการที่เราไม่อะไรกับอะไรเขาเนะี่ยเป็นหนทา ง, งความพ้นทุกข์ที่แท้จริงนะเพราะนั้นใน ท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระตาไตรามาน้อมนำทุทท่านมีความเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพานุท่านเทิน